ํำดับที่แปดเมื่อวันที่สิบสามธันวาคมพุทธศักราชสอง2ห้ารอยห้าสิบสองโดยพระคันจิตคุณอววรรโอ้อวขอจเจริญพรไม่ทราบทํากันบ้านกั า, าบ้างหรือยังเอ่ย สะส่งการบ้านแล้วนะวันนี้มีโยมท่านใดที่อาทิตย์ที่แล้วไม่ได้มาบ้างเพิ่งมาอาทิตย์นี้อาทิตย์แรกมีใครยังไม่ได้ทํากันบ้านบ้างเอ่ยยกมือหน่อยหลายท่านนะก็เนื่องจากว่ามีโยมามาใหม่ด้วยโยมที่ทําการบ้านมาแล้วก็เดี๋ยวลองอ่านทบทวนนิดหนึ่งส่วนโยมที่ยังไม่ได้ทําการบ้านมาเดี๋ยวใช้เวลาประมาณสักสิบนาทีนะเดี๋ยวจะให้ทํากันบ้านกันสักนิดหนึ่งวันนี้ ก็อย่างที่อาตมาได้กล่าวถึงไว้ว่าวันนี้อาตมาจะทขึ้นเรื่องของกรรมฐ า, านใหม่แต่วันนี้เป็นเพียงแค่เกรนนำํำเพราะอยากจะชี้ให้เห็นอะไรบางอย่างขออภัยนะเพราะว่าอยากจะชี้ให้เห็นอะไรบางอย่างก่อนที่เราจะได้เริ่มต้นปฏิบัติมรณสติกันนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้โยมลองดูในชีวิตของโยมสักเดนหนึ่งก่อนนะโดยให้ทําแบบฝึกหัดต่อไปนี้ เป็นการบ้านนะบางท่านทำมาเรียบร้อยแล้วนะสิ่งที่อยากจะให้โยมช่วยเขียนมาอยากจะให้โยมเขียนตามความเป็นจริงอย่างที่เรารู้สึกและอย่างที่เราเป็นจริงๆไม่ต้องเอาหลักการอะไรทั้งสิ้นขออภัยถ้าพูดอย่างเชิงติดตลกนิดนึงก็บอกไม่ต้องเอาหลักการเอาหลักกนะูคิดยังไงรู้สึกยังไงจะทำอะไรจริงๆถ้าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับเราเขียนเลยนะเขียนอย่างนั้นแหละ แล้วก็ไม่จำเป็นต้องสองอาตมาะจะเป็นประโยชน์กับตัวโยมเองไม่โยมมาอ่านในภายหลังเอาสิ่งที่อาตมาจะให้โยมช่วยเขียนมาให้อาตมาก็จะเป็นเรื่องราวอยู่เรื่องราวหนึ่งโดยจะสมมติให้ตอนนี้นโยมมีอายุ22หมายถึงตอนนี้นตอนนี้เลยนะความคิดความอ่านเหมือนอย่างตอนนี้ทุกอย่างเลยปรากฏว่าโยมสามารถที่จะมีคนสามารถเปลี่ยนร่างกายของโยมให้กลับไปเป็นอายุ22ปีได้ ตอนนี้โยมอายุ22ปีจบเป็นริญญาตรีใหม่ๆแต่ว่าไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัวเลยอายุ22จบเป็นริญาตรีใหม่ๆไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัวอันนี้ฟังให้เข้าใจก่อนนะแล้ววันนี้โยมได้พบกับเศรษฐีใจดีเศรษฐีใจดีคนนี้ให้โยมขอเงินเท่าไหร่ก็ได้โยมขอเท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องขอนี่คือเงื่อนไขต้องขอเท่านั้นไม่ขอไม่ได้ แต่ว่าจะใช่ยังไงเรื่องของโยมต้องระบุเป็นตัวเลขมาด้วยนะเศรษฐีใจดีมีเวลาให้โยมใช้เงินนี้อยู่สิบปีใช้ยังไงเรื่องของโยมอยากจะใช้ให้หมดเลยก็ได้แล้วแต่เมื่อครบสิบปีโยมมีทรัพย์สมบัติติดตัวอยู่เท่าไหร่ไม่ใช่ขอเท่าไหร่คืนเท่านั้นฟังให้ดีนะเมื่อครบสิบปีโยมมีทรัพย์สมบัติติดตัวเหลืออยู่เท่าไหร่ทรัพย์สมบัติทั้งหมดตกเป็นของเศรษฐีใจดี เข้าใจใช่ไหมสมมติขอหนึ่งล้านปีที่สิบมีเงินร้อยล้านเงินร้อยล้านตกเป็นของเศรษฐีเฉดีไม่ใช่ขอหนึ่งล้านคือหนึ่งล้านบ้านที่ดินสังหาริมทรัพย์กับสังหาริมทรัพย์ที่โยมมีทั้งหมดตกเป็นของเศรษฐีเฉยดีก็หมายความว่าโยมกลับไปเหลือตัวเปล่าเหมือนเดิมะไม่เหลืออะไรติดตัวเลยพร้อมกับอายุมากขึ้นอีกสิบปีคือสาสิบสองเข้าใจนะ อา้าวต่อไปคำถามที่จะให้โยมทำลนะข้อที่หนึ่งโยมจะขอเงินจำนวนเท่าไหรนะ่ข้อที่หนึ่งโยมจะขอเงินจานวนเท่าไหร่ข้อที่สองโยมจะใช้เงินนั้นไปทำอะไรบ้างหมายถึงโครงการหรือสิ่งต่างๆที่โยมอยากจะเอาเงินนั้นไปทำนะช่วยเขียนให้ละเอียดสักนิดหนึ่งนะช่วยเขียนให้ละเอียดสักนิดหนึ่งแต่ว่าโยมที่เพิ่งทำวันนี้ก็คงมีเวลาให้ไม่เกินสิบนาทีนะไม่งั้นเดี๋ยว าเวลาเฉลยมันจะช้าไปนิดหนึ่งและข้อที่สามโยมจะใช้ชีวิตตลอดระยะเวลาสิบปีนั้นอย่างไรก็หมายถึงชีวิตประจําวันนะตอนเช้าบินไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนนะกลางวันบินไปกินอาหารจีนที่ปักกิ่งตอนเย็นไปกินดินเนอร์ที่ฝรั่งเศสนะอาทิตย์หนึ่งบินที่วรอบโลกเล่นเนสักรอบหนึ่งก็ได้นะ เดือนหนึ่งขึ้นไปดูอวกาศนะประมาณสองพันล้านนะก็เต็มก็พอก็แล้วกันขอให้พอแล้วกันนะแล้วเสียนี่เขาขึ้นไปดูทัวร์อวกาศในะประมาณสองพันล้านบาทต่อคนต่อหัวนะต่อหัวเอาให้เต็มที่เลยนี่คือเรื่องของการใช้ชีวิตนะซื้อห้างทุกอย่างซื้อห้างทุกห้างเราช็อปปิ้งวันทุกวันเลยก็ไดนะ้นี่เรื่องการใช้ชีวิตนะต่างจากข้อสองใช่ไหมข้อสองหมายถึงงานหรือโครงการที่ยมอยากเอาเงินนี้ไปทํา ช่วยเขียนเร็วๆเลยนะเขียนเร็วๆเลยใครจะแบ่งเป็นสิบปีปีที่หนึ่งสองสามสี่ทำอะไรก็ได้นะจะเรียนพอแต่อย่าลืมนะพอครบถึงปีที่สิบทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ตกเป็นของเศรษฐีเจดีทั้งหมดโยมเอาไปให้คนอื่นโดยมีเงื่อนไขว่าให้เขาเอามาคืนโยมถือว่ายมยังมีกรรมสิทธิทรัพย์สมบัตินั้นก็ตกเป็นของเศรษฐีเจดีเนีเพราะั้นเมื่อครบปีที่สิบ เหลือตัวเปล่าอย่างเดียวเท่านั้นเหลือตัวเปล่าเหมือนเดิมอา่าสิบปีนั้น่ยมจะใช้เงินอย่างไงยจะเอาไปทำอะไรบ้างอา่าวให้เป็นเศรษฐีกันให้เข็ดเลยนะ เงินไขคือคต้องขอเท่านั้นนะไม่ขอไม่ได้อย่าเขียนว่าไม่ขอนะอย่าเขียนว่าไม่ขอโอกาสได้มาแล้วนะขอให้คุ้มกันลวกัน เด็กๆฟังเข้าใจไหมจ๊ะเอาเขียนด้วยก็ได้เด็กๆมีใครสงสัยเงื่อนไขหรือว่าคำถามไม่เอ่ยตอบตามความเป็นจริงอย่างที่โยมเป็นนะและอย่างที่โยมคิดจะทำจริงๆนะเพราะจริงๆสิ่งที่โยมตอบมันคือชีวิตจริงของโยม สิ่งที่โยมคิดเนี่ย เ, เตีอ๋เอาไว้ตอนเฉลยก่อนมันะพยายามตอบไม่ได้ตามที่เราคิดจริงๆตามที่เรารู้สึกจริงๆไม่ได้เป็นอย่างที่โยมเป็นเปลี่ยนร่างกายเหลืออายุ22เท่านั้นนะ เล่นพอนคือตอนนี้โยมอายุ22ความคิดความอ่านเหมือนตอนนี้ทุกอย่างนะแต่ว่าวุฒิการศึกษา<ม>เหลือแค่ปริญญาตรีนะใครจบโทจบเอกมีอะไรมารีเซ็ตใหม่หมดเหลือแค่ปริญญาตรีไม่มีงานทําแล้วก็ไม่มีเงินทองติดตัวด้วยนะแต่แรกด้วยอายุ22ได้ร่างกายใหม่อายุแค่22บรรลุนิติภาวะพอดีเลยนะ ม น, นุษยนิติภาวะแล้วความคิดความอ่านเป็นแบบโยมตอนนี้เลยเหมือนกับตอนนี้มีคนมาเสกให้โยมร่างกายกลับไปเป็นร่างกายหนุ่มสาวอายุแค่ยนะี่สิบสองางคนอยากกลับไปเป็นวัยรุ่นอยากกลับไปเป็นเด็กใหม่นะเอาให้กลับไปนะอยากรวยก็ให้รวยซะให้เข็ดเลยนะมีความสุขไหมรวยๆเยอะๆ อ, อย่างนี้ เอ้าวมีเวลาอีกสักสามนาทีนะสักสามนาทีเขียนสบายๆ น, นะ เคยนั่งคิดไหมรวยเยอะๆจะเอาเงินไปทำอะไรบ้าง <laughs> นะ <laughs> อันนี้รวยเยอะเลยนะใครจะใส่ตัวเลขสักสามแสนล้านล้านล้านล้านยูโรก็ได้นะ <laughs> เขียนมาให้พอเลยก็แล้วกันนะ <laughs> อะไรนะ <laughs> แค่คิดไปใช้ก็ทุกข์แล้วใช่ไหม <laughs> แต่ยังอยากรวยอยู่นะ <laughs> ยังอยากรวยอยู่แต่พรอรวยเยอะๆคิดว่าจะเอาไปใช้อะไรกระทุกแล้วนะอ้า ว, า ว, าวจะเรียนพรอร อ, ออีกสักหนึ่งนาทีนะจะเรล่นพอรอเขียนสบายๆไม่ต้องรีบอ่านะต้องสรุปแล้วต้องสรุปแล้วนะ ได้อะไรบ้างจากการที่เรารวยจเจริญพรเมื่อกี้มีโยมบอกว่าแค่คิดว่าจะมีเงินเยอะๆจะไปใช้ทําอะไรก็ทุกแล้วนะแต่ในที่นี้มีเวลาใช้แค่สิปีนะเพราะฉะนั้นโยมถ้าโยมใช้เงินอย่างข้อหนึ่งใช้ชีวิตอย่างในข้อหนึ่งที่โยมเขียนนะมีอยู่สามข้อย่อยด้วยกันนะอัตมาจะถามคําถามเป็นชุดที่สองอยากให้ช่วยโ ย, โยมเขียนเร็วๆด้วยสักนิดหนึ่ง ประมาสักเดี๋ยวจะให้เวลาสักสองนาทีในคําถามชุดที่สองนี้เมื่อกี้ในคําถามชุดแรกอาตมาได้บอกแล้วว่าเศรษฐีเ จ, จดีจะให้โยมใช้เงินนั้นเพียงแค่สิบปีเท่านั้นครบสิบปีโยมเหลือตัวเปล่าเพราะทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่ทโยมมีไ ม, ไม่ไม่ว่าจะหามาได้เองหรือใครให้มาหรือจะงอกเงยจากเงินที่เศรษฐีเ จ, จดีให้มาก็แล้วแต่ทั้งหมดตกเป็นของเศรษฐีเ จ, จดีคําถามชุดที่สองมีแค่สองข้อ อยากจะให้โยมใช้เขียนนิดหนึ่งว่าถ้าโยมใช้ชีวิตอย่างนั้นตลอดระยะเวลาสิบปี <c oughs> คําถามชุดที่สองนะถ้าโยมใช้ชีวิตอย่างนั้นตลอดระยะเวลาสิบปีสิบปีนี่กลายเป็นนิสัยแล้วนะเ <c oughs> ปลี่ยนยากแล้วนะสิบปีนี่กลายเป็นนิสยัยเปลี่ยนยากแล้วไม่รู้ละโยมสะสมลักษณะยังไงเอาไว้ก็แล้วแต่ถามว่าวันที่เศรษฐีใจดี มาเอาทรัพย์สมบัติของโยมไปทั้งหมดโยมจะรู้สึกอย่างไรโยมจะเป็นอย่างไรนะเคยมีเคยใช้ได้ไม่จำกัดนะ่นะแล้วแต่โยมนะแต่ละคนอาจจะใช้ไม่เหมือนกันพอวันที่เข้ามาเอาคืนเนี่ยโยมจะเป็นอย่างไรโยมจะรู้สึกอย่างไรนึกถึงความจริงด้วยนะอยากได้แต่ยังไม่ได้นับว่าเป็นทุกข์แล้ว แต่ได้มาแล้วใช้จนกระทั่งเคยชินแล้วต้องสูญเสียมันไปอ่ะทุกยิ่งกว่านะเพราะฉะนั้นยมลองนึกง่ายๆปีนี้เงินเดือนห้าหมื่นปีหน้าถูกรถเงินเดือนเหลือสามหมื่นเป็นยังไงแต่อันนี้ไม่ใช่รถรถเงินเดือนเหลือสามหมื่นนะเหลือศูนเลยไม่เหลือทรัพย์สมบัติเลยก็ขึ้นอยู่กับสิบปีแรก โยมใช้ชีวิตยังไงเอาเงินไปใช้ทำอะไรนะข้อที่สองแล้วชีวิตของโยมต่อจากนี้คือต่อจากสิบปีนี้โยมจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรจะทำมาหากินอะไรนะถ้าสิบปีที่มีเงินเยอะๆโยมเอาไปใช้ทำเช่นนั้นนะผ่าใจนะะช่วยเขียนด้วยเร็วๆเลยนะสักสองนาที ฉันอยากกลับไปแก้ข้อหนึ่งหรือยังเพราะฉะนั้นใครเอาแต่เที่ยวเอาแต่ใช้เอาแต่เสพเอาแต่ซื้อของหาความสุขใส่ตัวเองแนละ้วแล้วก็ชีวิตที่เหลือก็คิดตัว เ, เองกั็แล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะมันกลายเป็นนิสัยติดแล้วติดล้วหวังว่าคงไม่มีใครบอกว่าถึงปีที่สิบฆ่าตัวตายนะ เคยมีคนตอบนะอย่างนี้นะเจมีเคยมีคนตอบนะเคยมีคนตอบไม่รู้ละสิบปีได้ใช้เอาให้เต็มที่เลยที่เหลือไม่เหลือแล้วก็ค่าตัวตายจบมีความสุขแล้วจบแล้วอา้าวเหลืออีกสักหนึ่งนาทีน ะ, อ, นะะนอ้าวนะเจริญพร อ่าคราวนี้มาถึงคำถามชุดที่สามนะหลังจากที่ได้เขียนไปสองชุดละ mm. คำถามชุดที่สามนี้จะเอาเป็นชีวิตจริงของโยมละ mm. คิดว่าโย mm. มคงจะเห็นอะไรบางอย่างจากคำถามชุดที่สองแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของการใช้โอกาสและสิ่งที่เรามี mm. แต่สองข้อแรกนั้นเป็นเรื่องสมมติตอนนี้เอาเรื่องจริงในชีวิตของโยมล ะ, ะ mm. เอาเรื่องจริงในชีวิตของโยม อ, อาทำไมอยากจะถามโยมว่าตอนนี้ใครที่มีสิ่งที่เป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้ซื้อขายได้ไม่เอาคนรักไม่เอาชีวิตนะเอาของที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ซื้อขายได้แล้วเขาก็สามารถซื้อขายได้กันในปัจจุบันด้วยที่มีมูลค่าเท่ากับที่โยมขอจากสิทธิใจดีบ้างใครมีช่วยยกมือหน่อย ะอ่าคนที่ทํนะ <c oughs> าแล้วไม่ต้องยกนะคนที่ทําแล้วไม่ต้องยกมีไหมสิ่งที่เป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้และสื้บคายได้นะจะเป็นทรัพย์สมบัติหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นรูปธรรมะ ท, ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินที่ยมขอจากเศรษฐีใจดีในข้อหนึ่งปัจจุบันปัจจุบันนี้โยมมีไหม อ่าใครมีช่วยยกมือแสดงว่าขอไม่ไว้ไม่เยอะใช่ไหมเอ่ยขอไว้เท่าไหร่เอ่ยขอไว้เท่าไหร่ของแต่ขอไว้เท่าไหร่อะไรนะหนึ่งร้อยบาทนะหนึ่งร้อยบาทแล้วของโยมที่ยกมืออีกท่านหนึ่งขอไว้เท่าไหร่เอ่อออ ย, ย, ย ห, อนหนึ่งหมื่นสองพันอออขขอขออขขอขอขอขออขอขอาอขอขออขอขอขอขอขอขอขอขอขเขอขออ มีใครที่ยังมีทรัพสมบัติอะขอไว้เท่าไหร่เลยหกสิบล้านปัจจุบันมีอยู่แล้วเคยทําหรือยังเอ่ยเรื่องนี้ปัญหาเรื่องนี้เคยทำหรือยังเคยฟังอ๋อถ้าเคยทําแล้วเอาไว้ก่อนนะเคยทำแล้วเอาอ้าวมีคนขอหนึ่งร้อยมีคนอีกคนหนึ่งขอหมื่นสองนั่งนั้นสงสัยจะขอไปเยอะเลยใช่ไหมนอกนั้นขอไปเยอะเลยอ้าวเจริญพรหนึ่งพันเท่า จากที่โยมขอจากเศรษฐีใจดีมีไหมมีไหมตอนนี้ไม่มีแล้วนะคิดดูให้ดีมีหรือเปล่าถ้าไม่มีอาตมาจะขอประมูลอาตมาจะขอประมูลดูสิว่าโยมจะให้หมูลค่าเท่าไหร่สิ่งนี้เป็นรูปธรรมและสามารถซื้อขายได้ไม่ใช่คนที่โยมรักและไม่ใช่ชีวิตด้วย อาตมาจะขอซื้อลูกตาทั้งสองข้างของโยมทั้งสองข้างนะไม่ใช่เอาข้างเดียวเอาทั้งสองข้างด้วยจํานวนเงินเท่ากับที่โยมขอจากเศรษฐีใ จ, จดีมีใครขายบ้างไม่ขายเหรอหนึ่งพันเท่าที่โยมขอจากเศรษฐีใจดีขอไว้ร้อยล้านก็คูณหนึ่งพันเข้าไปขอไว้พันล้านก็เท่าไหร่หนึ่งล้านล้าน มีใครขายบ้างไม่ขายเหรอโอ้ตั้งหนึ่งล้านล้านนะไม่ขายเท่าไหร่ถึงจะขายเท่าไหร่ถึงจะขายโยมตีมูลค่ามันไว้สักเท่าไหร่เอ่ยตีมูลค่าไว้สักเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่ถึงจะขายเท่าไหร่ก็ไม่ขาย <laughs> จริงๆถ้ามีคนขายอาตมาก็จะขอซื้อต่ออาตมาจะขอซือ้อแก้วหูทั้งสองข้างถ้ายังมีคนขายก็จะขอซื้อต่อขอซื้อแขนและขาทั้งสองข้างถ้ามีคนขายอาตมาก็จะขอซื้อต่อขอซื้อลิ้นและขอซื <intr ans ha> <sc> ้อจมูกคือไม่ต้องดมกลิ่ไม่ต้องลิ้มรสอะไรเหลือแค่นั้นนะไม่ได้เอาชีวิตนะไม่ได้เอาชีวิต แต่โดยปกติแล้วมากเท่าไหร่ก็ไม่ยอมขายกันนะไม่ว่าจะได้เงินมากเท่าไหร่ก็ไม่ยอมขายกันในทางตรงกันข้ามยอมเสียเงินถ้ามีไม่ว่ามากเท่าไหร่ก็ตามเพื่อรักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้ใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นถามโยมว่าโยมมีสิ่งที่มีค่าไวไม้มีค่าอยู่หรือเปล่ามีไหมมี มูลค่าเท่าไหร่ประมาณไม่ได้เลยใช่ไหมต่จะให้มาเทียบเป็นมูลค่าของเงินเลยมากเท่าไหร่ก็ไม่ยอมขายในคำถามชุดแรกที่อาตมาถามโยมนั้นคือโยมได้เจอกับเศรษฐีใจดีอาตมาขอถามโยมว่าแล้วสิ่งที่มีมูลค่าที่โยมบอกว่าประเมินไม่ได้นี้ใครให้มาใครให้มาพ่อแม่ แต่พ่อแม่จริงๆเป็นแค่เงื่อนไขยอย่างหนึ่งของธรรมชาติใช่หรือไม่เป็นแค่เงื่อนไขเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นโยมได้สิ่งที่มีค่ามากนะประเมินค่าไม่ได้มาแล้วนั่นก็คือตาหูจมูกกิ้นกายของโยมนั่นเองร่างกายนี้นะโดยเฉพาะตาหูจมูกกิ้นแล้วก็แขนขานะสัมผัสของร่างกาย ซึ่งโยมบอกว่าประเมินค่าไม่ได้เษธีกใจดีก็คือธรรมชาตินั่นเองอาตั้มาถึงบอกว่าต้องขอเท่านั้นเพราะว่าโยมได้มาแล้วจะใช้ยังไงเรื่องของโยมใช่ไหมตาหัวจมุขคิดกายของโยมจะใช้ยังไงเรื่องของโยมธรรมชาติไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรกับโยมแต่ธรรมชาติก็มีเงื่อนไขกับโยมเหมือนกันคือเวลาที่เขาให้โยมใช้นั้นอย่างมากที่สุดไม่เกินหนึ่งรปี อย่างมากที่สุดไม่เกินหนึ่งร้อยปีมีเวลาแค่นี้เท่านั้นแต่ปัจจุบันโดยเฉลีย่ยเราจะไม่ถึงเฉลีย่ยจะอยู่ที่ปรนะมาณเจ็ดสิบห้าคนอายุปัจจุบันนะค่าเฉลีย่ยของอายุจะอยู่ที่เราราสักเจ็ดสิบห้าเท่านั้นเองโยมใช้มันมากี่ปีแล้วโยมเหลือเวลาจะใช้มันได้อีกกี่ปี โยมบอกว่ามีทรัพย์สมบัติที่โยมขอจากเศรษฐีจิตีซึ่งมีมูลค่าน้อยแค่นั้นโยมเขียนให้ในข้อหนึ่งต้องเยอะแยะว่าจะทาอย่างนั้นทำอย่างนี้อยากจะถามโยมว่าและสิ่งที่มีค่าประเมินไม่ได้นี้ที่ผ่านมาโยมใช้มันอย่างไรรู้หรือเปล่าว่าต้องคืนแล้วนะมีเวลาจำกัดนนในการใช้ ทุกปีที่ผ่านไปคือเวลาในการใช้สมบัติที่มีค่ามากมายมหาศาลนี้ลดลงไปเรื่อยๆทุกปีแต่เศรษฐีใจดีนั้นยังนับววาใจดีเพราะว่าสิบปีจึงจะมาเอาคืนแต่ธรรมชาติไม่ใช่ธรรมชาติมีเงื่อนไขอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือว่า เมื่อเขาต้องการเอาคืนเมื่อไรโยมไม่มีสิทธิ์ต่อรองมากที่สุดคือหนึ่งร้อยปีแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะได้ใช้ถึงหนึ่งร้อยปีนั่นคือความจริงยังเจออาตมาวันนี้พรุ่งนี้อาจจะต้องไปงานศพอาตมาก็ได้นั่นคือความจริงไม่ทราบอาตมาก็ไม่ทราบคืนนี้จะอยู่รอดหรือเปล่วก็ยังไม่รู้เลย ยังไม่มีสิทธิ์ต่อรองอย่ามาบอกว่าอายุยังน้อยพ่อแม่ยังไม่ได้เลี้ยงดูยังมีภาระทางบ้านยังมีลูกยังมีภรรยายังมีสามีที่ต้องดูแลมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างฉันยังไม่ได้ทำเลยฉันตายไม่ได้ไม่มีโอกาสต่อรองทั้งสิน้นตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ นั้นคือธรรมชาติยังอนุญาตให้โยมใช้หมดลมหายใจหมดไออุ่นก็คือเขาเอาคืนพ่อแม่ญาติพี่น้องบุตรภรรยาสามีก็ช่วยโยมไม่ได้สมบัตินี้มีค่ามากนะโดยเฉพาะญาติโยมที่มาเนี่ยโยมได้สิ่งที่มีค่ามาก ที่สัพสั์ในสังสารวัตนี้ต้องการแต่ไม่มีโอกาสโอกาสที่คนจะได้อย่างโยมในปัจจุบันนี้น้อยมากนะโอกาสที่สัตว์อื่นจะได้อย่างโยมโอกาสที่น้อยมากมีอะไรบ้างหนึ่งการได้เกิดเป็นมนุษย์โอกาสน้อยมากโยมได้ได้อ ย, อย่างโอกาสนี้มีใครไม่เป็นมนุษย์บ้างยกมือแต่อรตมะมองไม่เห็นหรอกถ้ามียกมืออรตมก็มองไม่เห็นหรอกนะ ใช่ไม่ใช่ลองเทียบกับมแมลงในวัดนี้กับคนทั้งโลกในหกพันล้านมาแมลงในวัดนี้อาจจะเยอะกว่าด้วยซ้ำพวกสัตว์สัตว์เล็กๆในวัดเนี่ยพวกมดปลวกมแมลงมันโยมคิดดูซิว่าโยมเป็นหนึ่งในโอกาสของเท่าไหร่ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อย่างที่สองมีอวัยวะครบสามสิบสองเกิดมานี่หลายคนก็ไม่ได้ครบ มีอวัยวะครบส2มบสองมีสติปัญญาไม่บ้าบ้านี่ก็โอกาสน้อยนะนอกจากนั้นยังได้พบพระพุทธศาสนาโอกาสน้อยลงไปอีกนะอัตมาเคยเล่าให้ยมงฟังแล้วว่าในหนึ่งกับหนึ่งกับนี่นานเท่าไหร่เหมือนเอาภาชนะกว้างคูณยาวคูณสูงอย่างละสิบหกกิโลเมตร เอ า, มาเมล็ดพันธุ์กาศที่เล็กมากใส่ลงไปจนเต็มร้อยปี อ, ออกหนึ่งครั้งหนึ่งเมล็ดระยะเวลาที่ใช้จนกระทั่งเม็ดพันธุ์พักาศนั้นหมดจากภาชนะนั้นท่านบอกว่าหนึ่งกับยังมากกว่านั้นในหนึ่งกับนี้โดยเฉพาะกับของเราเรียกว่าพัทธลักษกจะมีพระพุทธเจ้ามาถือกำเนิดและตั้งพุทธศาสนาอยู่แค่ห้าพระองค์เท่านั้นมันหนึ่งในเท่าไหร่ล่ะยมได้ใน ย, ย่างโอกาสนี้ ได้แล้วนะได้พระพษษษษษษุทธศาสนาแล้วแต่โอกาสอย่างสุดท้ายก็คือการได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ยมไม่มีโอกาสเพราะว่าพระพุทธองค์ท่านได้ปณิพานไปแล้วแต่จากห้าข้อสี่ข้อยมได้มาแล้วสิ่งที่ได้ยากมากทุกคนปรารถนาถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นนคือแปดสิบเปอร์เซนยมว่ามีค่าไหมล่ะ เอาลองถามตัวเองซิว่าเราได้สิ่งที่มีค่าเหล่านี้มาแล้วที่ผ่านมาเราใช้มันอย่างไรถ้าใช้มันไม่ถูกต้องสมบัติที่มีค่านั้นกลับจะก่อให้เกิดทุกข์กับโยมเหมือนกับข้อหนึ่งได้เงินมาเยอะเอาแต่เที่ยวเอาแต่เล่นไม่ศึกษาไม่หาประสบการณ์ไม่ทามาหากินเสพสุขผ่านไปสิบปีเหลืออะไรล่ะ หลือแต่ความเคยชินที่ไม่ดีเงินหมดแล้วแล้วจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรแต่ถ้าโยมใช้โอกาสนั้นอย่างเต็มที่อย่างไรข้อหนึ่งใช้แต่พอเหมาะพอดีรู้จักประหยัดไม่ฟุ้งเฟอ้อสิบปียังเป็นนิสัยของโยมแต่เอาเงินที่มีอยู่ไปสร้างสารรค์เอาไปพัฒนาหาความรู้หาประสบการณ์หรือแม้แต่กระทั่งการให้การแบ่งพันทําให้เกิด ความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกๆคนในสังคมถึงตอนนั้นโยมไม่มีทรัพย์สมบัติเลยแต่ทุกคนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือโยมพร้อมที่จะให้โอกาสโยมใช่หรือไม่ชั้นนีก็ฉันนั้นกับชีวิตนี้นะฉะนั้นนีก็ฉันนั้นกับชีวิตนี้ร่างกายนี้ของโยมเพราะฉะนั้นลองคิดดูสิว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้อย่างไงใช้อย่างฟุ้งเฟ้อใช้อย่างเอาแต่หาความสุข หาความสุขก็คือหาสิ่งเสพนั่นแหละแล้วก็ติดคิดว่าจะอยู่อย่างนี้ไปตลอดถ้ายิ่งยมทำอย่างนั้นอันนี่ก็อยากได้ไอันนี้ก็ของฉันคนนี้ก็ของฉันคนนั้นต้องทำอย่างนั้นคนนี้ต้องทำอย่างนี้สิ่งต่างๆต้องเป็นอย่างนั้นเป็นนี้ตามใจของฉันยมใช้ชีวิตอย่างนั้นถ้ากับยมกำลังก่อกำแพงแห่งความทุกข์ที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆวันที่ยมจะต้องคืนธรรมชาติทั้งหมด ไม่ว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องลูกเมียยมจะเป็นยังไงจะสุขหรือจะทุกข์ล่ะพระพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้ว่าจิตเตสังกิเเททุกติปฏติกัางขาเมื่อจิตเศร้าหมองทุกติเป็นอันหวังได้หมายความว่าขนาดที่เราจะจากโลกนี้ไปถ้าจิตใจเราเศร้าหมองด้วยความเศร้าโศกเสียใจด้วยความเสียดาย ตอนนั้นยมได้ภาวะที่ไม่ดีต่อไปแน่ในอนาคตในชีวิตหน้าจิตเตะสังกิริเตเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้หมองสุขติคือความสุขเป็นอานวังได้อยู่ที่โยมสะสมอะไรไว้ในชีวิตประจําวันเนี่ยนะในแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะมีแค่ครั้งเดียวในชีวิตของโยมวันนี้ เวลาสิบเ็ดโมงห้าสิบนาทีมีแค่ครั้งเดียวในชีวิตของโยมแล้วไม่มีวันย้อนคืนมันสิ่งที่เป็นประโยชน์เราได้ทำแล้วหรือยังโยมบางท่านเขียนในข้อหนึ่งอาจจะเอาไปใช้บริจาคช่วยคนนั้นช่วยคนนี้ลองถามตัวเองสิว่าแล้วสมบัติตัวนี้เนี่ยเราเคยใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นมากน้อยแค่ไหน เราได้ใช้เพื่อช่วยหือผู้อื่นมากน้อยแค่ไหนเราได้ใช้มันอย่างไรในขณะที่วันเวลามันผ่านไปผ่านไปทุกขณะและถ้าหากว่าวันพรุ่งนี้เราไม่มีโอกาสได้ใช้มันยมจะเป็นยังไงอันนี้ที่บอกนี่คือเรื่องจริงนะไม่ใช่ว่าจะมีวันพรุ่งนี้สำหรับทุกๆคน มโยมมีโอกาสได้ใช้มันเฉพาะตอนนี้โยมใช้มันอย่างคุ้มค่าแล้วหรือยังสิ่งที่มีค่าสําหรับโยมคือร่างกายนี้บุคคลผู้ใกล้ชิดบุคคลในครอบครัวโยมได้ให้โยมได้ทําอย่างที่สิ่งที่โยมอยากจะทําให้กับเขาแล้วหรือยังกําลังทําอยู่หรือเปล่าสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นคุณค่าต่อชีวิตของโยมโยมกําลังทําอยู่หรือเปล่า ถือว่ากำลังละเลยถ้าคิดว่ายังมีวันพรุ่งนี้ยังมีเวลาอยู่อีกเยอะเพราะฉะนั้นการที่โยมได้มาในวันนี้ได้มาทำแบบเป็น hardt เศรษฐีใจดีก็ถือว่าธรรมชาติมาเตือนโยมถ้าเราไปถามคนที่ป่วยหนักใกล้ตายมันอยู่แยแยๆเลยไปถามว่าเขาต้องการอะไรเขาเนื่องเสียใจเรื่องอะไร เกือบทุกคนจะพูดว่าถ้าฉันขอได้ฉันขอมีขอมีชีวิตยืนยาวให้มากกว่านี้สักหนึ่งปีก็ได้ถ้าใครมีเวลาเหลือแค่สองเดือนก็ขอสักหนึ่งปีก็ยังดีไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเลยก็ยังดีก็ยังขอมีชีวิตอยู่ต่อสักหนึ่งปีก็ยังดีสักสิปีก็ยังดีใช่หรือไม่ยมเองถ้าวันนั้นมาถึงก็จะร้องขออย่างนี้ใช่หรือไม่ และมักจะกมานั่งนึกเสียใจถ้าฉันรู้อย่างนี้ตอนนั้นฉันคงทำอย่างนั้นอย่างนี้ไปแล้วตอนนั้นฉันคงไม่ปล่อยเวลาเป็นแบบนี้ใช่หรือไม่เ่อโยมกำลังใกล้าตายแล้วยมร้องขอธรรมชาติก็ใจดีให้โอกาสโยมได้นั่งอยู่ที่ตรงนี้แล้วแต่ให้โอกาสโยมแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะ ไม่มีครั้งที่สองถือว่ามาเตือนแล้วนะถือว่ามาเตือนแล้วโยมจะใช้อย่างไรใช้ให้เต็มที่ซะอะไรเป็นประโยชน์ทําให้เต็มที่และเมื่อวันนั้นมาถึงเมื่อจะต้องทิ้งออกจากไปจริงๆอย่ามานั่งนึกเสียใจอีก ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านทังสอนเอาไว้ว่าสังขารคือร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทัท้งหมดมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดานะจนสุดท้ายต้องทิ้งท่านตรัสเตือน้อยว่าเธอจงทำสิ่งที่ควรทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ ต, ตัวเธออย่างแท้จริง ให้ถึงพร้อมให้เต็มที่ด้วยความไม่ประมาเทเถิดถ้าโยมได้ใช้สิ่งนี้อย่างเต็มที่แล้วถึงเวลาโยมจะต้องทิ้งมันไปโยมจะไม่เสียดายและโยมจะไม่เสียใจเลยถ้าเราไม่ผลัดฟันประกันพรุ่งทำสิ่งที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงอย่างเต็มที่แล้วแม้วันพรุ่งนี้ต้องตายโยมก็จะได้ไม่เสียใจ เพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ยอย่างนี้ว่ากรรมใดทําแล้วในภายหลังใบหน้าไม่นองด้วยน้ําตาไม่ต้องไม่เป็นทุกข์กรรมนั้นเป็นกรรมดีพึงทําให้เยอะๆกรรมใดทําแล้วในภายหลังใบหน้านองด้วยน้ําตาแล้วก็ต้องเป็นทุกข์กรรมนั้นคือกรรมไม่ดีเธออย่าไปทํา แล้วแต่ละขณะที่โยมกำลังใช้เวลาอยู่นี้ถ้ามันเป็นโอกาสสุดท้ายที่โยมได้ใช้โยมจะนึกเสียใจไหมว่าฉันควรทำอย่างนี้หรือฉันไม่ควรทำอย่างนี้ฝากให้โยมไปคิดนะฝากให้โยมไปคิดสักนิดหนึงสิ่งต่างๆถ้าใช้อย่างเต็มที่ถึงเวลาจากมีความสุข ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นโยมซื้อโทรศัพท์มาเครื่องหนึ่งแต่โยมใช้โทรศัพท์นั้นอย่างเต็มที่ทํากิจกรรมกิจการเรียบร้อยใช้โทรศัพท์นี้นอย่างเต็มที่แล้วถ้าใช้อย่างเต็มที่มันหมดอายุการใช้งานโยมต้องทิ้งโยมจะเสียใจไหมไม่เสียใจคุ้มค่าละที่ซื้อมาหรือที่ได้ใช้ชีวิตโยมก็เหมือนกันนะ ยืมจากธรรมชาติมาแล้วใช้อย่างไรจึงใช้ให้เป็นประโยชน์ละ่ะหนึ่งในแงน่งของภายนอกการแสดงออกซึ่งสิ่งที่ดีงามต่อบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดหรือคนอื่นในสังคมยอมได้ทำแล้วหรือยังเอาอย่างง่ายๆคุณพ่อคุณแม่ เคยเห็นใจท่านใชยบอกรักท่านเคยทาอะไรอย่างที่เราคิดว่าน่าจะทําให้กับท่านถ้าเกิดว่าเราต้องเจอกับท่านในวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วหรื อ, อยังกําลังทําอยู่หรือเปล่าปุถุภรรยาหรือสามีทําอยู่หรือเปล่าหรือปล่อยให้ความชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็ทะเลาะเบาแหวกแล้วคิดว่าวันพรุ่งนี้ค่อยไปคืนดีก็ได้ถ้าเกิดมันไม่มีมไม่มีวันพรุ่งนี้สําหรับเขา หรือไม่มีวันพรุ่งนี้สำหรับเราเจะเกิดอะไรขึ้นถึงเวลาถ้าเขาต้องจากไปแล้วเราไปนั่งร้องห่มร้องไห้ไปขอโทษหน้าลงศพมันจะได้ประโยชน์อะไรเล่าทำไมไม่ทำตอนนี้ทำไมไม่ทำเสียเดี๋ยนี้เลยเจอกันทุกครั้งขอให้นึกไว้ถ้าการเจอครั้งนี้เป็นการเจอครั้งสุดท้ายเราควรพูดเราควรทำกับเขาอย่างไร ไม่ว่าจะกับไขรนะหรือกับลูกๆพยายามฝึกเขาให้พึ่งตัวเองได้อยู่หรือเปล่าถ้าเราต้องจากเขาไปฝึกเขาให้มีคุณธรรมความดีอยู่หรือเปล่าฝึกเขาให้สามารถพึ่งตัวเองได้อยู่หรือเปล่าเราได้วางแผนในอนาคตเผื่อไว้สำหรับเขาเมื่อเขาไม่มีเราไว้แล้วหรื อ, อยังนั่นคือต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม แล้วต่อจิตใจของโยมล่ะได้ฝึกได้พัฒนาจิตใจของโยมไหมให้เป็นจิต ท, ที่ปลอดโปร่งผ่องใสมีคุณธรรมเป็นจิตใจที่ดีงามซึ่งเมื่อถึงวันที่เราต้องทิ้งกายนี้ไปเราจะได้มีสภาพจิตเช่นนี้เป็นทุนเอาไว้อยู่ตลอดเป็นทุนประกันพบใหม่ของเราหรือเราปล่อยจิตใจไปตามความชอบใจไม่ชอบใจและสะสมแต่สิ่งที่ไม่ดี รูปแบบการปรุงแต่งจิต ท, ที่ไม่ดีเอาไว้ในจิตใจของเราถึงวันนั้นโยมมีทุนที่ไม่ดีนะและไม่ต้องกาดจากกายนี้ไปอย่าลืมนะตอนใกล้ตายนี้เนี่ยทรมานมากนะแม้ร่างกายไม่ทรมานแต่ถ้าจิตใจไม่ถูกฟิกแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะให้โยมทดลองดูก็ได้คงเป็นอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะให้ลองทดลองดูโนะยมได้สะสมไว้รอยาง สิ่งนี่เพียงคุณค่าเหล่านี้เหมือนกับตอนที่เราได้เงินจากเศรษฐีใจดีแล้วเอาไปใช้ศึกษาไปประกอบกิจหน้าที่การงานหารประสบการณ์หรือหาทุนเป็นทุนภายในของเราการใช้ชีวิตนี้ก็เหมือนกันทุนภายในโยมได้พัฒนาขึ้นมาหรื อ, อยังจิตใจของโยมนั่น เ, เองที่ดีงามสูงขึ้นไปกว่านั้นเอามาใช้ในการพัฒนาปัญญาให้รู้เห็นเข้าใจโลกลชีวิตตามความเป็นจริง คิดไว้เสมอณสิ่งต่างๆของชั่วคราวฝึกไว้ใหม่แทนที่เกิดขึ้นมารับรู้แล้วก็วิ่งกระโดดจักเปลี่ยนเป็นรับรู้แล้วก็วางได้ทุกขณะกําลังทําอยู่หรือเปล่าสิ่งภายนอกแปรเปลี่ยนเข้ามากระทบปล่อยวางได้โดยที่ไม่ให้ใจเรากระทบทําอยู่หรื อ, อยังกําลังฝึกหรือเปล่า อาจารย์ในสมัยก่อนท่านจึงพูดเอาไว้อย่างนี้ว่าพึงเอาประโยชน์จากทรัพสมบัติให้ได้ด้วยการให้ด้วยการบริจาคและนาไปสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้ยมใช้ให้หมดแต่หมายถึงให้จัดสรรทรัพย์สำหรับสิ่งเหล่านี้ด้วยเพื่อที่ว่าเมื่อเราต้องเสียทรัพย์ทั้งหมดอย่างน้อยที่สุดเราได้ใช้ให้เกิดประโยชน์แล้ว ทั้ง้นแง่เลี้ยงตนเองเลี้ยงครอบครัวแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามต้องให้ทรัพย์สมบัติมากแค่ไหนถ้ายมไม่มีโอกาสได้ใช้มันก็ไม่มีประโยชน์และยิ่งมีมากยมต้องจากมันไปยมติดจึตมันมากยมยิ่งเป็นทุกข์อีกอย่างหนึง่งท่านพูดไว้ว่าพึงเอาประโยชน์จากชีวิตนี้ให้ได้ ด้วยการปฏิบัติธรรมเพื่อขัดกลากิเลสเพราะสุดท้ายสมบัติมีค่ามากที่สุดคือกายนิยมก็ต้องทิ้งโยมได้ใช้มันเพื่อขัดกลากิเลสในจิตใจแล้วหรือยังใช้มันอย่างที่เราเรียกว่าปล่อยวางได้ทุกอย่างไม่ว่าสิ่งใดเข้ามากระทบสิ่งใดแปลเปลี่ยนใจเราก็ไม่เป็นทุกข์ทำแล้วหรือยังกําลังฝึกอยู่หรือเปล่า นี่แหละคือจะเป็นประโยชน์ที่แท้จริงของร่างกายนี้ที่เรายืมเข้ามาใช้เพียงชั่วคราวถ้าใครทำได้ต่อให้โยมต้องทิ้งกายนี้โยมต้องเสียสูญเสียทุกอย่างโยมก็จะไม่เป็นทุกข์เลยเพราะได้เป็นสิ่งที่เป็นอมตะและมีค่าสูงสุดไปแล้วเพราะฉะนั้นฝากโยมนะ ถือว่าธรรมชาติได้ให้โอกาสกับโยมแล้วหรือธรรมชาติได้มาเตือนโยมแล้วอัตถมาคมบังคับให้โยมทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นั่งสมาธิทุกวันปฏิบัติกรรมฐานทุกวันหมั่นพิจารณาอย่ายึดติดให้ปล่อยวางทุกวันไม่ได้อยู่ที่ตัวโยมเองนะโยมเป็นคนตัดสินใจเองและโยมก็ต้องยอมรับการตัดสินใจและการกระทาของโยมด้วย เพราะสัตว์มีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นแดงเกิดเราทําอย่างไรไว้สะสมอย่างไรไว้ภาวะเหล่านั้นย่อมติดอยู่ในจิตใจรูปแบบการปรุงแต่งจิตก็ติดตัวเราไปตลอดทําให้เรามีรูปแบบและลักษณะอย่างนั้นอาตมาคงได้แค่บอกสอนเตือนแล้วก็ชี้แนวทางอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสถวายให้โยมเท่านั้น เพราะคนปัจจุบันเรามักจะคิดว่ายังมีเวลาอีกเยอะคนที่เพิ่งตายไปเมื่อวานเขาก็คิดอย่างนี้เหมือนกันนะลองไปดูข่าวก็แล้วกันคนที่กําลังจะตายตอนนี้เขาก็คิดอย่างที่โยมคิดนี่เหมือนกันว่าพรุ่งนี้ยังมีเวลาเอาไว้ก่อนแต่ว่ามันไม่ใช่สําหรับทุกคนชีวิต เป็นของไม่ยั่งยืนชีวิตเป็นของไม่แน่นอนความตายเป็นของที่แน่นอนเพราะสรรพสิ่งที่เกิดมาย่อมเดินทางสู่ความแตกตับเหมือนหม้อดินที่สุดท้ายต้องแตกหักชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันสัตว์ทั้งหลายเปรียบเหมือนอยู่บนอยู่ระหว่างภูเขา และมีหินก้อนใหญ่เกลิ้งลงมาทั้งสี่ด้านชีวิตนี้สั้นนะเหมือนหยาดน้ำค้างบนยอดยาที่เมื่อแสงอาทิตย์ส่องขึ้นมามันก็หายไปแล้วเราใช้มันอย่างไรถ้าจะพูดอย่างเป็นคำภาษาอังกฤษ ทางตะวันตก ie, หรือทางตะวันออกทางนั้งเขาก็คิดกันอยู่เหมือนกันเรื่องนี้เขาก็จะพยายามเตือนว่า living with no regret เคยได้ยินไหมจงใช้ชีวิตอย่างที่จะไม่มานั่งเสียใจในภายหลังแต่ท่านเชิงตะวันตกเนี่ยจะออกไปในทางเสพซะมากกว่า เสพอย่างนั้นน่ะแหละมันนั่งเสียใจในภายหลังแ น, น่ๆว่าถึงเวลาต้องทิ้งแต่ถ้าในหลักที่พระพุทธเจ้าสอนใช้ในการพัฒนาจิตใจท่าปัญญาถึงจุดนั้นสิ่งใดปลปลี่ยนปลา ย, ยมจะไม่มานั่งเสียใจเลยคุ้มค่าแล้วเหมือนญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่คนที่รักเราทําให้เขาอย่างเต็มที่แล้วเท่าที่เรามีเวลามีโอกาส ถึงวันที่เขาต้องจากเราไปโยมมานั่งนึกโยมจะไม่เสียใจเลยเพราะทําให้เต็มที่แล้วเพียงพยายามอย่างเต็มที่เท่าที่เรามีเวลาเท่าที่เรามีโอกาสแล้วชีวิตของเราก็เหมือนกันฉะนั้นฝากไว้สาหรับโยมนึกไว้ให้ล่อยนะเรามีความตายเป็นที่สุดความตายอยู่ใกล้ตัวเราเหมือนเงาที่กำลังติดตัวเราไป พร้อมที่เขจะเข้าครอบงมเราทุกเมื่อเพราะฉะนั้นใช้ทุกขณะให้คุ้มค่าใช้ทุกขณะเพื่อการฝึกเพื่อการพัฒนาความโกรธย่าให้มีในจิตใจความโลภความหลงย้าให้มีในจิตใจเพราะถ้าตายไปตอนนั้นทุกขตินะถ้าเราบอกแว่งกับใครปรับความเข้าใจขอโทษ อยากขอบคุณใครบอกขอบคุณเขาซะอยากทํำอะไรดีๆให้กับใครรีดทํำแท่งแต่วันนี้ที่เรามีโอกาสเราจะได้ไม่ต้องมานั่งนึกเสียใจนในภายหลังอีกและถ้ายังไม่หมดกิเลสแม้จะต้องจากไปนึกขึ้นมากลับมีความภาคภูมิใจกลับมีความเอ็นใจในสิ่งที่มีดีงามในคุณค่าที่เราได้ทําในคุณค่าที่เราได้จากการที่เราได้ร่างกายนี้ าฝากไว้เป็นเกรนนำในเรื่องของมรณานุสติหรือมรณสติฝากยมไปคิดทุกวันเลยจะทําอะไรทุกขณะคิดไว้นี่คือครั้งสุดท้ายเจอใครนี่คือการเจอใครครั้งสุดท้ายภายในรักษาจิตใจให้ดีงามและอย่าเข้าไปเกาะติดยึดติดปลยวางให้ได้ ภายนอกทำกิจให้เต็มที่สิ่งที่ควรทำทำให้เต็มที่ในทุกขณะนี่คือลักษณะของผู้ที่ปล่อยวางได้อย่างแท้จริงอ่าวในช่วงแรกคงฝากเอาไว้เป็นข้อคิดไว้เพียงแค่นี้สำหรับโยมนะเพราะฉะนั้นเอากลับไปอ่านนะข้อหนึ่งที่โยมเขียนก็ ล, ลองถามตัวเองทุกวันที่ทำหรื อ, อยัง ไอ้ที่เราเขียนในข้อหนึ่งข้อสองก็เหมือนกันและสิ่งที่อาตมาได้อธิบายให้โยมฟังขอให้เอาไปคบคิดพิจารณาทุกทุกวันในทุกๆขณะแล้วสร้างสารรค์ประโยชน์ที่แท้จริงให้เกิดขึ้นกับตัวยโยมมีคำถามอะไรไหมเอ่ยไม่มีคำถามนะ ถ้าไม่มีคำถามถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้โยมพักสักห้านาทีเดี๋ยวมาต่อตอนสองเรื่องจุดหมายของชีวิตซึ่งควรจะเป็นคุณค่าของโยมในการที่โยมได้ร่างกายนี้และสิ่งที่มีประโยชน์นี้เช่นโยมพักได้